โอกาสนะครับพวกเราพร้อมหรือยังถ้าทายยังไม่ค่อยพร้อมแต่พร้อมเราก็ปิดโทรศัพท์มือจือก่อนนะปิดเสียงก่อนปิดหรือยังปิดซะนะปิดเสียงระหว่างที่หลวงพ่อเทศก็อยากควักกล้องมาถ่ายรูปนะเสียเวลากวนสมาธิของคนอื่น การฟังธรรมะต้องใช้สมาธิฟังด้วยความสำรวมแล้วใจเราวักแยกวักแยดเรารับธรรมะไม่ได้คนสมัยพุทธกาลเขาไม่ได้เก่งกว่าเราแต่ว่าเขาอยากฟังธรรมตั้งใจนานๆจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นสักองค์หนึ่งก่อนจะมีการอุบัติของพระพุทธเจ้าคน ยุคนนั้นเขารอกันรอข่าวว่าเมื่อไรจะมีพระพุทธเจ้าบุญบัติขึ้นในโลกพอได้ข่าวว่ามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วมีพระธรรมมีพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วเขาดีใจรีบมาฟังธรรมตั้งอกตั้งใจฟังธรรมลงมือปฏิบัติม็ได้มานนผลนิพพานกันเลิกถ่ายรูปได้แล้วนะก็ี่มีมือถือทั้งหลาย ต้องมีวินัยหน่อยนะมีระเบียบหน่อยหลวงพ่อมาเทศให้ฟังเนี่ยไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยเรียกร้องว่าฟังด้วยความสงบสัมรวมเท่านั้นเองรูปมีเยอะแยะอยู่แล้วละ่ะในอินเทอร์เน็ตไม่มีประโยชน์อะไรเป็นเวลาฟังธรรมก็ฟังจริงๆธรรมะของพระพุทธเจ้านะั้นไม่ใช่ของเล่นเป็นของสำคัญถ้าเรารู้จัก เราเข้าใจแล้วเราลงมือปฏิบัติตามเนี่ยเราจะเห็นผลอย่างรวดเร็วไม่ช้าเมื่อคนเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนเนี่ยชีวิตจิตใจก็เปลี่ยนละเคยฟุ้งซ่า น, นก็สงบขึ้นมาเคยชั่วตามสะดวกก็ทำชั่วไม่ได้ละอายใจเคยมีทุกข์มากก็เหลือทุกข์น้อยมีทุกข์นานก็เหลือทุกข์สั้นนั่นธรรมะเป็นของสำคัญ เรื่องในโลกที่เราว่าสําคัญสําคัญมันไม่สําคัญจริงมันแค่สําคัญชั่วคราวอย่างเราทำมาหากินมันจําเป็นไม่ก็จําเปน็นก็สําคัญเหมือนกันสําคัญชั่วคราวได้เงินมามนก็ต้องหมดไปหาใหม่ลําบากอีกคนก็แย่งชิงตําแหน่งกันแย่งตําแหน่งว่าสําคัญมากพอกเกษียณขึ้นมาก็ไม่เหลืออะไรแล้ว ทรัพย์สินเงินทองว่าสำคัญเก็บไว้เยอะแยะพอตายไปเป็นของคนอื่นบางทียังไม่ทันตายก็เป็นของคนอื่นละบ้านว่าบ้านของเราบ้านของเราอยู่ได้ไม่ตลอดไม่นานคนอื่นเขาก็ามาอยู่แทนเราอุตส่าห์ผ่อนบ้านซื้อบ้านกะว่าจะได้อยู่ตลอดไปไม่ได้ตลอดนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนะกระทั่งในร่างกายหรือจิตใจของเราเอง เป็นของโชคราวถึงเวลาหนึ่งก็ต้องคืนเจ้าของเดิมเข้าไปร่างกายเราเนี่ยเรายืมวัตถุธาตุจากโลกมาใช้ไม่นานบางคนไม่กี่ปีบางคนไม่ไม่ถึงปีถักจากนี้ไปบางคนไม่กี่วันเองความตายจะมาถึงเราเมื่อไรไม่รู้ตายเมื่อไรก็ต้องคืนเจ้าของเอาไปไหนด้วยไม่ได้ คนเคยรักเราพอเราตายปุ๊บเขากลัวเราแล้วรังเกียจนะจับใส่ตู้ใส่โลงไว้ก่อนถึงเวล า, าไปเผาเนี่มันไม่มีอะไรเลยที่ว่าเป็นของดีของวิเศษของในโลกที่เราย่งชิงกันมาชื่อเสียงเกียรติยศทรัพย์สินเงินทองลูกเมียครอบครัวอะไรต่อไหนเพื่อนฝูงกะทังร่างกายจิตใจของเรา ก็ไม่ใช่ของจริงจังอะไรเราเกิดมาทั้งทีเราจะมาหาของชั่วคราวแค่นี้เหรอชีวิตเราควรจะดีกว่านี้เรามาหาธรรมะมาศึกษาธรรมะเราจะได้ของดีของวิเศษติดตัวของเราไปมันติดตัวข้ามภพข้ามชาติเลยบางคนตั้งแต่เด็กๆเวลาจิตใจกระทบอารมณ์อะไรที่แรงๆอย่างไปกระทบเรื่องที่ตกใจขึ้นม ขนาดเป็นเด็กเล็กๆไม่เคยฝึกกรรมาฐานจิตมันดีดพางออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเลยมันไม่ตกใจไม่กลัวใจมันถอดถอนออกมาเป็นคนดูคราวนี้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไหวผ่านไปใจไม่กระเพื่อมหวั่นไหวหลวงพ่อตอนเด็กๆไม่ได้ชีว้วดนะเล่าให้ฟังในฐานะเราเป็นเพื่อนนักปฏิบัติด้วยกันหลวงพ่อตอนเด็กๆสิบขวบเอง นั่งเล่นลูกหินอยู่หน้าบ้านบ้านเป็นตึกแถวเล่นอยู่ข้างหน้าบ้านเห็นไฟไหม้ตึกแถวถัดไปสี่ห้าห้องตกใจตกใจลกล้วคว้าลูกหินได้วิ่งเลยจะไปบอกพ่อว่าไฟไหม้ข้างๆ้ า, าบ้านแนละ้ววิ่งไปก้าวที่หนึ่งไม่รู้สึกก้าวที่สองไม่รู้สึกก้าวที่สามวิ่งไปด้วยความตกใจก้าวที่สามจิตมันเหมือ น, นเปิดสวิตช์ขึ้นมาจากข้างในสว่างพลึบขึ้นมาใน ความตกใจมันกระเด็นหายไปจิตมันเด่นดวงขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคราวนี้เราก็รู้สึกสภาวะอะไรอย่างนี้ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมันแปลกแปลกแต่ว่ามันเด็กไม่รู้จักว่านี่เป็นผลจากการปฏิบัติเดินไปบอกพ่อวนะ่ความเฉยๆใจไม่ตื่นเต้นแล้วเราก็เห็นผู้ใหญ่เขาตกใจ เห็นเขาวิ่งเห็นเขาขนของใจเราเฉยๆตมาก็ลืมไปเภาว่านี้ลืมมันไปมาพอนาอยู่นานเนะจอทั้งรู้จักหลวงปู่ดุลนะก็พบว่าสภาวะนี้นเป็นของเก่าของเดิมที่เราพอนามาหลวงปู่สอนให้ดูจิตดูใจพอจิตมันตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมา้สภาวะอย่างเนี้เคยเป็นมาตนะั้งแต่เด็กเล็กๆตั้งแต่สิบขวบก็เป็นมาละ แต่มันลืมไปมีคนอื่นอีกนะมีพระองค์หนึ่งมาเล่าให้หลวงพ่อฟังตอนท่านเป็นวัยรุ่นโตกว่าหลวงพ่อตอนนั้นหน่อยหนึ่งท่านเป็นวัยรุ่นไปงานลอยกระทงไม่ทนระวังนะเขาจุดปลุกปลุมันจุดเปรี้ยงขึ้นมาข้างๆท่านท่านตกใจพอตกใจเด้่ยจิตมันดีดออกมาเป็นผู้รู้เลยความตกใจดับ สภาวะแห่งความตื่นก็เกิดขึ้นมาจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาท่านที่บารมีเต็มจริงๆนะอย่างเจ้าชายสิทธัตถะท่านเล็กกว่านั้นอีกท่านเจ็ดขวบเองประมาณนั้นเองพี่เลี้ยงเอาท่านไปไว้ใต้ต้นไม้ใต้ต้นว่าพี่เลี้ยงก็มวัวไปดูพระเจ้าแผ่นดินทาพิธีแลกนาควันเจ้ชาชายสิทธทัตถะเป็นเด็กน้อย อยู่คนเดียวแล้วุกขึ้นนั่งสมาธิธรรมานาพนาัสติได้กระโทมาชานจิตนั้นเด่นดวงขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นจิตถึงระดับเข้าชาเลยนั่นบารมีท่านมากงั้นการปฏิบัติท ร, รเนียมันเป็นสมบัติที่จะติดตัวเราข้ามภพข้ามชาติไปของอื่นในโลกเนี่ยได้มาแล้วไม่นานก็ต้องวางไปเอาไปด้วยไม่ได้แล้ แต่ธรรมะที่มันอยู่ในใจเรานะมันจะติดตัวเราอย่างบางคนพวกเราสังเกตไหมบางคนเด็กเล็ก ๆ, ๆนะมันไม่ทาร้ายสัตว์บางคนชอบทาร้ายสัตว์ทาไมมันแตกต่างกันบางคนมาฝึกสมาธิแปบ๊บเดียวสงบบางคนฝึกยังไงก็ไม่สงบบางคนฝึกเจริญปัญญานะแยกธาตุแยกขันธ์เห็นกายเห็นใจแยกออกจากกันได้เันอย่างเวลาตกใจใจมันถอยออกมา เห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งความตกใจอยู่ส่วนหนึ่งความรับรู้อยู่ส่วนหนึ่งนี่มันแยกออกมาได้บางคนทำมันยากบางคนก็ทำง่ายสิ่งเหล่านี้เป็นผลจากการที่แต่ละคนสะสมมาไม่เท่ากันแต่การที่พวกเราสนใจที่จะฟังธรรมะลองลองเราดูในห้องนี้นะมีคนสักเท่าไหร่ก็ระดับหลายร้อย มีคนหลายร้อยแต่เทียบกับคนข้างนอกนะัหลายแสนหลายล้าน<ม>เทียบกันไม่ติดเลยทำไมคนส่วนใหญ่ไม่สนใจธรรมะในขณะที่พวกเราเช้าขึ้นมารีบมาฟังธรรมเพราะพื้นฐานเดิมของจิตใจแต่ละคนนะัมันสะสมมาไม่เท่ากันบางคนมันมีพื้นเดิมเหมาะที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปในเส้นทางของธรรมะบางคนไม่มีไม่มีมก็ไม่สนใจ คนที่จะสนใจในธรรมะเนี่ยต้องมีบุญพอนะเพราะั้นบางคนเนี่ยตั้งคำอธิษฐานไว้เลยเวลาทำบุญนะขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์นะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยไม่ใช่พิกลพิการขอให้ได้พบสัตบุรุษสัตบุรุษหมายถึงเป็นคนดีโดยเฉพาะได้พบครูบาอาจารย์ได้พบพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยตั้งความปรารถนา ได้พบสัตบุรุษแล้วขอให้ได้เข้าใกล้ได้ตั้งใกล้ใกลได้ฟังธรรมขอให้เข้าใจทั่วถึงในธรรมของสัตบุรุษนั้นเนี่ยเขาตั้งความปรารถนากันมาอย่างพวกเราสนใจธรรมะตั้งมาฟังธรรมเป็นโอกาสสําคัญในชีวิตเรานะครั้งหนึ่งในชีวิตคือได้ฟังธรรมแล้วถัดจากนี้ก็คือ ฟังให้รู้เรื่องแล้วเอาไปลงมือปฏิบัติเรียนกับหลวงพ่อไม่ใช้เวลาเยอะคนที่เรียนกับหลวงพ่อจริงๆนั้นเดือนหนึ่งสองเดือนสมเดือนบางคนไม่เคยเจอหลวงพ่อเลยฟังแต่ซีดีดู u t u b e อ่านหนังสือมีแจกให้เยอะๆนะใช้เวลาไม่นานเดือนสองเดือนสามเดือนนะจิตใจเปลี่ยนไปแล้วจากคนทึ่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้หลงโลก จิตถอดถอนตัวเองขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้แล้วบางคนก้าวไกลต่อไปอีกสามารถแยกขันได้เห็นว่าร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งนะใจอยู่ส่วนหนึ่งกายกับใจเนี่ยเป็นคนละอันกันไม่ใช่สิ่งเดียวกันร่างกายกับจิตใจบางคนแยกความรู้สึกนามนธรรมออกไปได้อีกเห็นว่าความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์เนียไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตใจ เห็นว่าความจำความจาได้หมายรู้เนี่ยไม่ใช่จิตใจเห็นว่าความปรุงดีปรุงชั่วนะอย่างโลภโกรธหลงอะไรต่ออะไรอย่างนี้ไม่ใช่จิตใจเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเนี่บางคนก้ามาถึงตรงนี้ได้ในเวลาสั้นๆเองเมื่อแยกออกมาได้แล้วถัดจากนั้นมันก็เหลือเส้นทางเดินอีกไม่ไกลละแยกขันได้แล้วถัดจากนั้นก็แค่ดูขันมันทางานไปเรื่อย เห็นร่างกายมันทำหน้าที่ของร่างกายเห็นความสุขทุกทำหน้าที่ของความสุขทุกเห็นความจำก็ทำหน้าที่ของความจำเห็นความปรุงดีปรุงชั่วโลภโกรธหลงอะไรเหล่านี้ก็ทำหน้าที่ของมันความโกรธก็มีหน้าที่ของความโกรธน้าผลักดันให้จิตเนี่ยผลักอารมณ์หรือออกไปให้พ้นเกลียดอารมณ์ความโลภก็ทำหน้าที่ของความโลภเป็นตัวที่ทาให้จิตเนี่ยหิวอารมณ์ดึงอารมณ์เข้ามาหาตัวเอง ความหลงก็ทำหน้าที่ของความหลงทำให้เราจับอารมณ์ได้ไม่มั่นคงไม่รู้ว่าจิตใจของเราเป็นไงไม่รู้ว่าร่างกายของเราเป็นยังไงหลงไปทุกสิ่งทุกอย่างก็ทำหน้าที่ของตัวเองจิตก็ทำหน้าที่ของจิตที่ทาหน้าที่รู้เนี่ยบางคนนะก้าวหน้ามาถึงจุดนี้ในเวลาไม่กี่เดือนเลยเห็นขันแต่ละขันเนี่ยทำงานทำหน้าที่ของตัวเองได้ไม่ใช่เราทา ร่างกายหายใจไม่ใช่เราหายใจความสุขทุกข์เกิดขึ้นไม่ใช่เราสุขเราทุกข์มันเป็นความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ตัวเรานะความจําเกิดขึ้นก็เห็นเลยความจําไม่ใช่เราบางทีจําได้บางทีจําจไม่ได้เพราะเราเคยเป็นไหมบางทีเห็นหน้าคนนี้จาชื่อได้หันะหไปคุยกับคนหน่อยหนึ่งหันกลับมาลืมชื่อคนนี้ไปแล้วนะคนที่จาได้เมื่อกี้เดี๋ยวก็จาไม่ได้กันล เราความจำมันก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับเรามันไม่ใช่เราจําความจําก็ทําหน้าที่ของความจําความโลภความโกรธความหลงก็ไม่ใช่เราโลภเราโกรธเราหลงเวลาโกรธขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นว่าความโกรธอยู่ส่วนความโกรธความโลภอยู่ส่วนความโลภความหลงอยู่ส่วนความหลงจิตอยู่ส่วนจิตมันไม่ใช่ตัวเราจิตก็ทําหน้าที่รู้อารมณ์เดี๋ยวก็รู้ทางตาไปดูรูป เดี๋ยวรู้ทางหูไปฟังเสียงทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจรู้เรื่องราวที่คิดเนึ้ต่างๆจิตก็ทำหน้าที่รู้ไปเรื่อยๆก็ทำหน้าที่ของเขาเองเราจะไปสั่งจิตว่าอย่ารู้อย่ารู้สั่งมันไม่ได้ถ้ามันจะรู้มันก็รู้เนี่ยถ้าเราสามารถพัฒนาคุณภาพจิตใจสูงขึ้นไปลำดับลาดับนะที่แรกให้จิตใจอยู่กันเนกตัว ถัาจากนั้นก็เห็นร่างกายจิตใจเห็นขันต่างๆแยกออกจากกันถัดจากนั้นก็เห็นว่าแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละขันแต่ละขันเขาทำหน้าที่ของเขาเองเขาไม่ใช่ตัวเราหรอกถ้าเห็นถึงตรงนี้ได้เรียกาเราเข้าใกล้ต่อมาผลนิพพานนละถ้าเราไม่เคยเห็นจิตใจไม่อยู่กันเนื้อกับตัวอะไรเนี่ยห่างไกลมรรคนิพพานที่สุดเลยไม่มีทางบรรลุมรรคนิพพานเลยถ้า ใจิตใจอยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่เฉยไม่สามารถแยกรูปแยกนามได้เดินปัญญาต่ อ, อยากทำยากแยกรูปแยกนามแล้วบางทีใจทื่อๆ อ, อีกเคยเห็นพวกที่ฝึกกรรมฐานไหมที่บอกไปเข้าคอสวิปัสนาส่วนมากฝึกออกมาเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายพองร่างกายยุบร่างกายเดินใจเป็นคนดูใจทื่อๆเฉยมันเหลือตัวเฉยอยู่ตัวหนึ่ง มันได้ปัญญาไม่ได้จริงเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราเแต่จิตมันยังเป็นตัวเราอยู่ง่อนการที่จะมาฝึกจิตฝึกใจให้เกิดปัญญานะให้รู้ทั่วถึงว่าขันธ์ทั้งห้าที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรานะมันไม่ใช่ตัวเรามันทํางานของมันได้เองต้องค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปนะเนี่ยกระบวนการเนี้ยใช้เวลาเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนนี่แหละบางคนก็ทําได้ ถ้าคนที่สนใจทำมันมีภูมิเดิมมีของเก่าอยู่แล้วละ่ะคนไม่สนใจมันทำไม่ได้ไม่มีบุญบารมีพอพวกเราในห้องนี้นะก็สามารถทำได้เป็นส่วนมากนะเท่าที่หลวงพ่อสังเกตดูพวกเราสังเกตไหมขณะที่หลวงพ่อเริ่มเทศกับขณะนี้จิตใจของพวกเราไม่เหมือนกันรู้สึกไหมขณะนี้จิตใจของเราสงบรู้สึกไหมส่วนใหญ่นะสงบ จิตใจของเราตื่นจิตใจสว่างสบายขึ้นมาเมื่อกี้นี้จิตใจวักแวกวักแวกนะยังเห็นคนเดินมาก็วิ่งจิตใจก็วิ่งไปอยู่ที่เขานะเห็นคนควักโทรศัพท์ถ่ายรูปจิตก็วิ่งไปอยู่ที่เขานะจิตใจมันลืมตัวเองตลอดเวลาการที่พวกเราในห้องนี้นะสามารถที่จะรู้สึกตัวรู้สึกไหมร่างกายนั่งอยู่แค่รู้สึกนะ ลองยิ้มวานๆสิแล้วเห็นไหมร่างกายมันยิ้มอยิ้มยิ้มพระก็ยิ้มได้นะไม่มีพระวิไหนห้ามแต่ว่าไม่ต้องเห็นฟันะยิ้มบอกบางองค์ท่านบอกทําไม่ได้หรอกท่านยังมีฟันอยู่นะเห็นไหมร่างกายหัวเราะลองพยักหน้าสิรู้สึกไหยร่างกายมันพยักหน้าแค่เนี้ยนะ่ะทําไมจะทําไม่ได้ใครๆก็ทําได้ แต่เราต้องรู้สึกด้วยใจที่เป็นธรรมชาติใจที่เป็นธรรมดาใจที่โปร่งโล่งเบาสบายเห็นร่างกายมันยิ้มด้วยใจที่สบายเห็นร่างกายพยักหน้าด้วยใจที่สบายเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนด้วยจิตใจที่สบายถึงจะใช้ได้บางคนทําให้เป็นเวลาลงมือปฏิบัติเนี่ยจะบังคับจิตให้เคร่งเครียดซะก่อนทําคลึ้ m นะพอคลึ้ m ได้ที่แล้วก็จะดูร่างกายแล้ว เอาร่างกายจะยกมือแล้วมันผิดธรรมชาตินะผิดธรรมชาติธรรมะเนี่ยธรรมดานะธรรมะเนี่ยกับคว่าธรรมดานะคำเดียวกันนะธรรมะเรื่องง่ายๆนะไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรหรอกเอายิ้มหวานรู้สึกไหมร่างกายยิ้มลองขยับมือขยับมือขยับสบายๆ ไม่ต้องเร็วอย่างนี้นะเดี๋ยวฟุ้งซ่านมากไปขยับสบายๆเมื่อยก็นวดไปลองนวดตัวเองดูลองนวดดูสิแล้วแค่รู้สึกนะรู้สึกไหมเรากดลงไปแี่แขนเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรานะตรงที่คิดว่าแขนเป็นตัวเราเนี่ยอยู่ที่ความคิดแขนเคยบอกไหมว่าเป็นตัวเรา แขนไม่ได้เป็นตัวเราแขนเป็นวัตถุเฉยๆลองจับดูนั่งเฉยๆก็นั่งนวดตัวเองไปเนี่ยกรรมฐา น, นเห็นไหมกรรมฐานแบบหลวงพ่อประโมทสุขาปฏิปทาจริงๆนะเนี่ยนั่งนวดตัวเองนะนะร้อนก็นั่งผัดไม่เห็นต้องทําอะไรที่ผิดมนุษย์มนาให้มันเคร่งเครียดเกินไปเลยธรรมานะน่ะมันเรื่องพื้นๆนะเรื่องง่ายๆเราไปสร้างภาพจนกระทั่งยุ่งยากขึ้นมาแล้วเราโดนหลอก โ ด, ดหลอกกันต่อๆมาว่าจะปฏิบัติธรรมต้องทําอะไรที่ไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนต้องไม่เหมือนธรรมดาที่จริงแล้วมันธรรมดาที่สุดแต่ว่ามันต่างกับคนธรรมดาตรงที่มันมีสติคนทั่วไปยิ้มไม่รู้สึกว่าตัวเองยิ้มนะหัวเราะไม่รู้สึกว่าตัวเองหัวเราะมัวแต่ดูอย่างดูหนังตลกนะรู้หมดเลยหนังมันเดินเรื่องอย่างไงมันตลกอย่างไง ร, รู้หมดเลย แต่ตัวเองกำลังหัวเราะเนี่ยไม่เห็นตัวเองกำลังขำเนี่ยไม่เห็นถ้าเห็นตัวเองหัวเราะเนี่ยเห็นร่างกายเห็นรูปเห็นรูปมันหัวเราะถ้าเห็นใจมันขำเป็นนามธรรมเป็นความรู้สึกทางใจเห็นไรูปธรรมก็ได้นามธรรมก็ได้ที่เป็นตัวเรางั้นเวลาดูหนังตลกรู้เรื่องหนังไม่รู้ว่าตัวเองหัวเราะไม่รู้ว่าตัวเองขำดูหนังเศร้าน้าตาไหลเลย ไม่รู้ว่าตัวเองน้ำตาไหลไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเศร้างั้การปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรใช้ชีวิตที่เป็นธรรมชาติธรรมดามีศีลห้าก็พอยกเว้นพระนะนี่เทศให้โยมฟังพระศีลห้าไม่พอนะ <c oughs> หัวเราะอีกแล้วรู้สึกไหมตัวอะไรหัวเราะร่างกายเป็นหัวเราะไหมเนี่ยค่อยๆสงเจ็ไป ร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความรู้สึกอยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้สึกะจิตเป็นคนรู้อยู่อีกส่วนหนึ่งค่อยๆดูค่อยๆแยกไปเรื่อยๆต่อไปเราจะเห็นชัดนะร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแค่วัตถุเราก็จะเห็นว่าความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในใจ นะเช่นความสุขความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงนะมันเกิดได้เองเกิดแล้วอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปนี่แหละเรียกว่าการเจริญปัญญานะการเจริญปัญญาไม่ใช่นั่งคิดเอาการคิดไม่ได้ทําให้เกิดปัญญาจริงหรอกมันเป็นปัญญาพื้นๆเท่านั้นเองเป็นปัญญาโลกโลภนะปัญญาที่เราจะใช้สําหรับข้ามภพข้ามชาติข้ามจากวัตตาข้ามจากกองทุกันนี้นะ เป็นปัญญาจากการที่เราสังเกตเราสังเกตการรู้สึกเอาแค่รู้สึกในร่างกายแค่รู้สึกในจิตใจคนทั่วไปเขายืนเดินนั่งนอนเราก็ยืนเดินนั่งนอนแต่คนทั่วไปยืนเดินนั่งนอนด้วยความลืมตัวเองเรายืนเดินนั่งนอนด้วยความรู้สึกกายรู้สึกใจคนทั่วไปหายใจออกหายใจเข้าแต่เขาลืมตัวเองเราก็หายใจออกหายใจเข้าเหมือนเขานั่นแหละแต่เรารู้สึกตัวรู้สึกกายรู้สึกใจ แค่นหายใจออกเห็นร่างกายหายใจออกรู้สึกว่าร่างกายหายใจออกแค่รู้สึกนะไม่ไดเอารูกตาไปดูนะแค่รู้สึกในร่างกายแค่รู้สึกในจิตใจในจิตใจเรานะมีความรู้สึกอยู่สองกลุ่มใหญ่ๆนะรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์อันหนึ่งรู้สึกดีรู้สึกชั่วอันหนึ่งขนาดนี้พวกเรารู้สึกไม่ในใจเราใครรู้สึกมีความสุขบ้างยกมือสิใครมีความสุขยกมือนะ ใครมีความทุกข์ยกมือซิมีไหมมีความทุกข์น ะ, ะมีใครเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ในใจตอนนี้เฉยเฉยมีไหมเนี่ยทำไมตอบได้ทำไมยกมือได้เพราะว่ารู้ใช่ไหมดังนั้นการรู้สภาวะเนี่ยไม่ใช่เรื่องลึกลับรู้ได้ทุกคนนะอย่างขณะนี้มีความสุขรู้ได้ไหมรู้ได้รู้ได้ทุกคนขณะนี้มีความทุกครู้ได้ไหมรู้ได้ ขนาดนี้เฉยๆรู้ได้ไหมก็รู้ได้ทุกคนนะบางคนนั่งฟังหลวงพ่อเทสลาหาวเลยนะเอา้าคนทั่วไปหามันลืมตัวเองเนะี่ยเพราะเราก็หาวได้นะไม่ว่ า, เ, าเห็นร่างกายมันหาใจเป็นคนดูเ น, ะนีค่อยๆรู้สึกไปนะค่อยๆเรียนรู้ไปอย่าไปคิดว่าการปฏิบัติธรรมนะั้นมันยากมันผิดมนุษย์มน่านะไม่มีอะไรผิดปกติเลย ยืนยังไงก็ยืนอย่างนั้นเดินยังไงก็เดินอย่างนั้นนั่งยังไงก็นั่งอย่างนั้นนอนยังไงก็นอนอย่างนั้นเพียงแต่มีสติกํากับเข้าไปเรื่อยๆจิตใจนั้นเดี๋ยวก็คิดดีเดี๋ยวก็คิดร้ายนะเป็นธรรมชาติไม่ต้องมานยาว่าต้องคิดแต่เรื่องดีๆนะไม่ต้องมานยาว่าเราต้องเป็นคนดีไม่มีกิเลสนะการปฏิบัติธรรมนะจิตมีกิเลสให้รู้ว่ามีกิเลสนั่นแหละดีที่สุดแล้วนะอย่างพระพุทธเจ้าท่านบอกนะว่าจิตเป็นกุศล รู้ว่าจิตเป็นกุศลดีจิตเป็นอกุศลคือจิตมันชั่วรู้ว่าจิตมันชั่วดีท่านว่าดีนะจิตเป็นกุศลไม่รู้ว่าเป็นกุศลใช้ไม่ได so ้จิตเร็วจิตเป็นอกุศลไม่รู้ว่าเร็วนะไม่รู้ว่าเป็นอกุศลไอ้นี่เร็วสุดๆเลยใช้ไม่ได้เลยนั้นจิตเราเนี่ยจะดีก็ได้จะร้ายก็ได้ไม่ห้าม ดีก็มีสติรู้ทันว่าตอนนี้มันกำลังดีเช่นมันมีศรัทธาที่จะฟังธรรมมีความเพียรที่จะปฏิบัติธรรมมีสติรู้เนื้อรู้ตัวมีสมาธิมีใจสงบตั้งมั่นอยู่กับตัวเองมีปัญญาสามารถแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์เห็นรูปนามธาตุขันธ์ทำงานเางนี้เรียกว่ามันมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นเราก็แค่รู้ว่ามันมีอยู่ ถ้าขณะนี้มันไม่ดีมันชั่วขึ้นมาก็แค่รู้ว่าชั่วแล้วเราจะได้เห็นอย่างหนึ่งความรู้สึกทั้งหลายนะไม่ว่าสุขหรือทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวไม่ว่าดีหรือชั่วก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็บังคับไม่ได้สั่งไม่ได้อย่างเราจะสั่งว่าจงมีความสุขนะพวกเราสั่งใจจงมีแต่ความสุขตลอดเวลามันสุขไหมมันไม่สุขมันสุกกอไก่มันไม่สุ ข, ส ข, อ, ไไส ข, ขอไข่นะ มันเหล้าร้อนมันไม่ค่อยมีความสงบไม่มีความสบายมันเป็นสุกกอกไก่ไปนะไม่ใช่สุก ข, ขอไข่หรือจิตเราเนี่ยเราจะสั่งว่าไม่ให้โกรธได้ไหมสั่งว่าอย่าโลภได้ไหมมีบางคนนะไปศูนย์การค้าไปตามห้างอะไรต่ออะไร น, นะกะว่าจะไปเดินรับแอร์เย็นๆนะไปดูของหนุ่มๆก็กะจะไปเดินดูสาวอะไรอย่างเงี้ยนะกะว่าไปไม่ซื้อของอแต่เผลอแป๊บเดียวนะ่ะซื้อมาเยอะเลย เพาอะไรความโลภมันเกิดนะ่ความโลภมันเกิดแล้วเราห้ามมันไม่ได้มันเกิดได้เองนะแล้วถ้าเราไม่มีสติรูทนนะ้ทันความโลภมันก็ครอบใจเราการปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่เรื่องพิสดารอะไรมากมายนะยืนเดินนั่งนอนเหมือนที่คนอื่นเขายืนเดินนั่งนอนสุขทุกข์เหมือนที่คนอื่นเขาสุขเขาทุกข์กันนั่นแหละดีชั่วเหมือนที่คนอื่นเขาดีบ้างชั่วบ้างนั่นแหละ แต่เราต่างกับเขาตัวที่เรามีสติระลึกรู้ไปเรื่อยๆคนอื่นโกรธหน้าตาเป็นยักษ์เป็นมารเขาเห็นคนที่ทําให้โกรธเขาเห็นแค่นั้นเห็นไอ้คนนี้แหละมาทําให้เราโกรธให้เราเกลียดใจไปอยู่ที่คนน้นของเราน่บปฏิบัติโกรธเป็นไหมโกรธเป็นนะพอโกรธปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นเลยหน้าตาเราเปลี่ยนรู้สึกไหมเวลาโกรธเนี่ยหน้าเราเปลี่ยนเคยเห็นรูปยักษ์ไหมรูปยักษ์ นั่นเป็นสัญลักษณ์นะเวลาโกรธเราไปลองรีบนึกถึงหน้าตัวเองเลยนะเหมือนที่หลวงพ่อบอกให้ยิ้มแล้วเรารู้สึกว่ามันยิ้มอ่ะตอนโกรธนะรีบรู้สึกเลยจะเห็นในหน้าตามันเปลี่ยนไปนะหน้าตามันก็เปลี่ยนความรู้สึกมันก็เปลี่ยนอะไอะไรมันก็เปลี่ยนห้ามมันไม่ได้หรืออย่างเวลาคนจะส่งกันบ้านหลวงพ่อเนี่ยตื่นเต้นตื่นเต้นตั้งแต่จับฉลากแล้วนะ แล้วมานั่งรอเนี่ยใจเต้นตุ้มต่อมตุ้มต่อมนะฟังธรรมะแทบจะไม่รู้เรื่องเลยรีบท่องใหญ่เลยว่าจะถามอะไรนะท่องท่อท่องบางนคนไม่ฟังอะไรหลวงพ่อเทศอะไรนะท่องอย่างเดียวเลยถามว่าความตื่นเต้นอะ่ะห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้ไหยจิตมันจะตื่นเต้นเราก็ตื่นเต้นได้แี่เรารู้ว่าตื่นเต้นะคอยรู้ทันความรู้สึกนะความรู้สึกในร่างกายร่างกายเป็นไงรู้สึกไปความรู้สึกในใจ จิตใจของเราเป็นยังไงคอยรู้สึกไปรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจเนืองเนืองเนืองเนืองว่า ร, รู้สึกเสมอเสมอรู้สึกบ่อยๆเท่าที่จะทําได้แต่ไม่ใช่รู้สึกตลอดเวลาคําว่ารู้สึกเนืองเนือเนี่ยมันดีกรีมันต่ํากว่ารู้สึกตลอดเวลาถ้าเราพยายามรู้สึกตลอดเวลานะจะผิดธรรมชาติเพราะอะไรจิตของเราไม่ได้เกิดสติตลอดเวลานะเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศล งั้นเอาะระลึกเนืองๆก็พอแล้วคือะระลึกบ่อยๆนะไม่ใช่สามวันรู้สึกกายทีหนึ่งนานไปหรือโกรธด่าไปชั่วโมงหนึ่งแล้วนะเพิ่งจะรู้สึกว่าโกรธทําไมรู้สึกคอมันแห้งอย่างนี้นะอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องนะมันนานไปต้องรู้สึกเนืองๆเนี่ยรู้สึกไหมเมื่อกี้ร่างกายหัวเราะเนียอย่างแค้แค่นี้เองนร่างกายเราก็ไม่ได้บังคับ นัปฏิบัติที่ไม่เอาไหนนะจะบังคับกายบังคับใจคนที่ไม่ปฏิบัติจะลืมกายลืมใจนั่นสิ่งที่ทําให้เราเดินเข้าสู่ทางสายกลางที่จะบรรลุมรรคผลไม่ได้มีสองอันเท่านั้นเองอนหนึ่งยอ่ยอหยอ่อนไปยอ่ยอหย่อนไปก็คือเหมือนคนทั่วไปทั้งโลกนี่แหละเขาเห็นแต่คนอื่นเขาไม่เห็นกายเห็นใจตัวเองเขาดูแต่สิ่งอื่นรู้แต่สิ่งอื่นไม่รู้กายรู้ใจของตัวเอง เรารู้สึกกายเรารู้สึกใจโกรธขึ้นมาคนอื่นเขาดูคนที่ทำให้โกรธเรารู้ทันว่าใจโกรธนะเห็นหน้าตากำลังแยกเคี้ยวเงี่ยรู้ก่รู้ใจเวลาเกิดรักขึ้นมานะเขาก็จะไปมองคนที่รักเนี่ยคนทั่วไปนะเห็นสาวสวยเดินมาเพียงไปมองสาวเนะีสาวคนนี้ถูกใจเราหรือบางคนเห็นหนุ่มเดินมาใจก็ชอบนะถามจริงๆอะผู้หญิงอะเห็นหนุ่ม หลอ่ลอๆถูกใจอะใจมันชอบไหมไม่ต้องไม่ต้องบอกนะเดี๋ยวแฟนตีตายนะเนะี่ยตอบกับตัวเองก็พอใจมันก็ชอบใช่ไหมมันห้ามไม่ได้อนะมันห้ามไม่ได้คนทั่วไปนะพอเห็นคนสวยคนหล่อเนะี่ยไปดูคนสวยคนหล่อเรานับปฏิบัติเนี่ยใจเราชอบเรารู้ว่าชอบนะใจเราเกลียดเรารู้ว่าเกลียดเนี่ยเราต่างกับคนอื่นนิดเดียวเอง มีตาเห็นรูปอันเดียวกันกับที่คนอื่นเขาเห็นมีหูก็ได้ยินเสียงอย่างเดียวกับที่คนอื่นเขาได้ยินมีจมูกก็ได้กลิ่นอย่างเดียวกับที่คนอื่นเขาได้กลิน่นอย่างเราได้กลิ่นหมาเน่าอย่างเงี้ยนะคนอื่นเขาก็ได้กลิ่นเหมือนเราเราก็ได้กลิ่นอย่างเดียวกับเขาแต่เขาได้กลิ่นหมาเน่าเขาจะมโมโหมาตัวนี้ถ้ามัเหม็นจังนะใครมาเอามาทิ้งไว้หน้าบ้านเรานะคราวนี้ไม่ใช่โกรธหมายอย่างเดียวนะโกรธว่าใครเอาหมามาทิ้งไว้หน้าบ้านเราเอง ของเราถ้าได้กลิ่นเหม็นใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบใจโมโหใครเอาหมามาทิ้งใจโมโหรู้ว่าโมโหนี่มันต่างกับคนอื่นเท่านี้เดียวนะนี่คนทั่วไปเนี่ยมันมีร่างกายมันก็ลืมร่างกายมีจิตใจมันก็ลืมจิตใจมันมวแต่หลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งที่มาสัมผัส ร, ร่างกายหลงกับเรื่องราวที่ใจพิคิดนะคนพวกนี้เรียกว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมย่อหย่อนเกินไปใช้ไม่ได้ ส่วนพวกที่ชอบเขาวัดนะนักปฏิบัติทั้งหลายไปเข้าคอร์สเขาวัดอะไรเนี่ยส่วนใหญ่จะสุดโตงมากลับข้างกันคนทั่วไปสุดตรงข้างหลงนะนักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยจะสุดตรงข้างบังคับกายบังคับใจทำกายให้ลำบากทำใจให้ลำบากนะยังจะเดินข้ามถนนกนะําหนดอยู่นั่นแหละนะข้ามไม่ได้ที่รถทับซะก่อนหน่อยนะบางคนจะยจะเน่ใจข้ามถนนน ะ, ต, ะต้องมองข้างขวา เอาละมองอมองข้างซ้ายาข้างขวาอีกทีอะไรเงี้ยนะก้าวรถทับเลยเพราะภาพมันเปลี่ยนไปทั้งเยอะแล้วนะไม่ต้องดอจรอนะปฏิบัตธิธรรมเนี่ยนะมีตาดูมีหูฟังมีใจคิดแต่มีสติกำกับนะเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติไม่ใช่คนที่ผิดธรรมชาตินะ บางคนชอบวาดภาพนากปฏิบัติไว้ต้องครึมขรึมเคร่งเคร่งเยไม่จําเป็นหรอกอย่างเป็นพระนะไม่คิดว่าพระจะต้องเดินตุวมเตียมตุวมเตีย ม, ม, ม, มอย่างเดียวนะมีนะพระสารีบุตรเคยได้ยินชื่อท่านไหมพระสารีบุตรนะพระสารีบุตรเนี่ยตามตำาราบอกว่าเป็นลิงมาเกิดนะเคยเกิดเป็นลิงห้าร้อยชาติแต่ท่านเกิดในภพภูมิที่ดีเนี่ยมากมายนะแต่เคยเป็นลิงก็ยุกยิกก็ยุก็ยิก นนกิริยาท่าทางเนี่ยติดมันด้วยไม่หายนะถ้าทั้งเป็นพระอรหันต์เราก็ไม่หายเขาเรียกว่าวาสนาเป็นความเคยชินถ้าสารีบุตรเนี่ยเดินไปถ้าเห็นท้องล่องนะท่านกระโดดข้ามเลยไม่ใช่เห็นท้องล่องล้วไปยืนพิจารณาท้องล่องหนอนะทํำยังไงอยากข้ามเนี่ยอยากข้ามจะทํายังไงอ๊ยเพื่อนเขาไปบินธบารกลับไปกินข้าวแล้วนะนี่ยังไม่ได้พ้นท้องล่องเลยนะถ้าสารีบุตรโดดตุ้บเลย พระสารีบุตรวันหนึ่งจะออกไปจาริกนะไปจาริกไปต่างเมืองพระทั้งหลายก็ไปส่งเพราะท่านเป็นสาวกผู้ใหญ่พระนับถือเยอะไปยืนเข้าแถวส่งท่านเยอะแยะเลยพระสารีบุตรท่านก็ทั ก, กไายทักมาเป็นแถวตามลำดับลำดับมีโยงหนึ่งนะท่านก็คิดว่ากูก็แน่เหมือนกันเดี๋ยวพระสารีบุตรต้องทักเราปรากฏพระสารีบุตรไม่ได้ทักนะท่านจะรีบไปแล้วทักมานานแล้ ถึงเวลาจะต้องไปไม่งั้นทากจนค่าไม่ได้ไปอ่นะแต่ทักทายอยู่นั้นนี่ยท่านจะไปท่านหมุนตัวแล้วชายผ้าของท่านมันไปถูกพระนี่เข้าพระเนี่ยรีบไปฟองพระเจ้าเลยภาษาลิบุตรประหารข้าพระเจ้าประหารพระตีทุกตีสาธุตรตีข้าพระเจ้าถือว่าเป็นพระอัครสาวกพระเจ้าท่านก็พียิณาแล้วเป็นไปไม่ได้ ท่านรู้ว่าพระสารีบุตรมีกิริยาท่าทางยุกยกยุยยิบยิบไปนั่นเองแต่ว่าใจเนี่ยต้องไม่มีทางที่จะคิดทํำร้ายใครแต่ว่าท่านต้องการให้พระสารีบุตรได้แสดงแสดงความยิ่งใหญ่ของท่านออกมาก็บอกให้พระไปตามพระสารีบุตรมาแล้วก็เข้าที่ประชุมถามว่าพระสาริบุตรอาไตีเขาเหรอพรสาริบุตร บ, บอกใจของข้าวพระอง์นี้ไม่เคยคิดร้ายกับคนอื่นเลยนะ ใจของข้าพระองค์เหมือนแผ่นดินแผ่นดินเนี่ยเราเอาของหอมไปเทใส่แผ่นดินก็เฉยเฉยเอาของเหม็นไปเทใส่แผ่นดินก็เฉยเฉยใจข้าพระองค์เหมือนน้ำเราเอาของสะอาดหรือของสกปรกใส่ลงไป น, น้ำก็ไม่ว่าอะไรนะใจของข้าพระองค์เหมือนลมพัดผ่านไปในสิ่งที่หอมดอกไม้หอมพัดไปที่กองขยะลมไม่หวั่นไหวนะลมไม่ว่าอะไรใจข้าพระองค์เหมือนไฟ เเผาซากศพหรือเผาไม้หอมนะก็เหมือนกันนะใจเท่าเทียมกันไปหมดเลย น, ะนั้นใจเนี่ยไม่เคยคิดจะทำรายใครนะท่านท่านแสดงธรรมออกมาสแสดงภูมิธรรมของผู้ที่บริสุทธิ์หมดจดออกมาพระองค์นั้นได้ฝังพระสารีบุตรพูดนะเกิดความเร่าร้อนนะขอขมาขอขมาพระสารีบุตรถ้าไม่ขอขมาตกนรกแน่นอนนะกล่าวตู่กล่าวโทษ กายบุคคลนะที่ท่านไม่ได้มีความผิดจริงเนยกิริยาท่าทางนะมันเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นพวกเราจําหลวงตามหาบัวดได้ไหมหนะลวงตามหาบัวท่าทางเป็นไงนึกออกไหมเรียบร้อยอย่างนี้ไหมเจริญพรเลยมีไหมไม่มีเลยนะท่านเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะท่านไม่มีมารยานะ บางองค์ก็งามประณีตเลยนะอย่างสมเด็จพระนาคสังวรนะดูสิท่านงามประณีตใช่ไหมถ้าสมเด็จพญายนาคสังวรมาทําท่าเรียนแบบโลงตามมหาบัวก็ไม่งามนะหลงตามมหาบัวไปเรียนแบบกริยาของสมเด็จพญายนาคสังวรมันก็ฝืนเนี่ยจริงๆแล้วนะเป็นยังไงก็เป็นอย่าง น, นั้นนะอย่างพวกเราเนี่ยเราเคยเดินขาขายิงอยู่ข้างหนึ่งนะก็ไม่ต้องเดินขาให้ตรงหรอกขาขายิงขาเปนะก็ภาวนาได้ ก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไปใจเราเป็นคนดูร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราค่อยรู้สึกไปเรื่อยๆหรือความรู้สึกในใใดๆเกิดขึ้นซึ่งทุกคนนะรู้จักอยู่แล้วความสุขเป็นยังไงก็รู้ทุกเป็นยังไงก็รู้ดีเป็นยังไงก็รู้โรภโกรดลงเป็นยังไงก็รู้รู้อยู่ทุกคนอยู่แล้วก็แค่ว่าขณะนี้มันรู้สึกยังไงขณะนี้รู้สึกสุขขณะนี้ทุกเนะมื่อกี้นี้โกรธโกรธแล้วรู้ปุ๊บโกรธแล้วรู้นะ่ หรือโลกขึ้นมาก็รู้ว่าโลกะเงี้ยค่อยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปได้่อยๆแล้วก็จะเห็นนะร่างกายดิที่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตใจนะที่มีความรู้สึกต่างๆนันาทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วนะก็ไม่ใช่ตัวเรานะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปสั่งมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้เลือกมันไม่ได้เลือกว่าโจรสุขตลอดเลือกไม่ได้นะ ห้ามว่าห้ามทุกก็ห้ามไม่ได้สั่งว่าจงดีตลอดก็ดีไม่ได้สั่งว่าห้ามชั่วมันก็ยังชั่วเนี่ยมันไม่อยู่ในอำนาจ บ, บังคับเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะไม่ต้องมารยาว่าต้องเป็นคนดีแค่อย่าให้ผิดศีลห้าพอละเป็นมาตรฐานชั้นต่ำเอาศีลห้าพอละอย่าเว้นพระนะต้องพูดย้ำอีกทีเดี๋ยวท่านจะตือแต่ศีลห้านะพระก็ต้องตือศีลให้ครบ เราโยมเอาศีลห้างก็พอละแล้วทางใจนะมันดีก็ได้ร้ายก็ได้แต่ให้มีสติตามระลึกรู้ไปมันดีก็รู้มันร้ายก็รู้รู้เพื่ออะไรรู้เพื่อให้เห็นว่ามันสุขก็สุขชั่วคราวมันทุกข์ก็ทุกข์ชั่วคราวมันดีก็ดีชั่วคราวมันร้ายก็ร้ายชั่วคราวมันสงบก็สงบชั่วคราวมันฟุ้งซ่านมันก็ฟุ้งซ่านชั่วคราวะพวกเราเคยฟุ้งซ่านไหมแล้วเคย สงบไหมไหมแสดงว่าอะไรฟุ้งซ่านไม่เที่ยงมันยังมีสงบพวกเราเคยสงบบ้างไหมแล้วฟุ้งซ่านเป็นไหมฟุ้งซ่านเป็นแน่นอนสงบเราไม่ค่อยเป็นหรอกแต่ว่าฟุ้งซ่านอะเยอะสงบได้นิด น, ดนดหน่อยๆเดี๋ยวก็ฟุ้งต่อลนะสังเกตไหมอย่างฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยใจของเราเปลี่ยนตลอดเวลารู้สึกไหมแต่ว่ามีความสุขมีความรู้มีความตื่นนะ แต่บางครั้งก็เบิกบานขึ้นมาบางครั้งก็เฉยๆเป็นอุเบกขาบางครั้งก็รู้สึกตัวเฉยๆบางครั้งหัวเลาะเลยลืมตัวเองไปเนี่ยจิตใจเนี่ยมันวิจิตพิสดารมันต่างๆนานาให้เรารู้ไปอย่างที่มันเป็นนะไม่ใช่เข้าไปแทรกแสงไม่ดีก็ได้ไม่สุขก็ได้ไม่สงบก็ได้นะแค่ไม่ผิดศีลหเท่านั้นแหละไม่ดีก็ได้ใจเราเนี่ยเพราะเราสั่งให้ดีไม่ได้ ไม่สุขก็ได้ะไม่สงบก totally ็ได้เราไม่ได้ปฏ er ิบัติธรรมเอาดีเอาสุขเอาสงบเพราะดีเป็นของไม่เที่ยงสุขเป็นของไม่เที่ยงสงบก็เป็นของไม่เที่ยงแต่เราปฏิบัติธรรมเพื่อให้เห็นว่าสภาวะทั้งหลายทั้งปวงนั้นะเกิดได้แล้วก็ดับได้แล้วเป็นสภาวะที่บังคับไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเราสั่งไม่ได้งั้นเราปฏิบัติธรรมไม่ได้มุ่งเอาดีเอาสุขเอาสงบแต่เราปฏิบัติธรรม เพื่อให้เห็นความจริงของรูปนามกายใจเพราะฉะั้นเราจะปฏิบัติธรรมนะเพื่อให้เห็นความจริงของรูปนามของกายของใจถ้าเราเห็นความจริงแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ยืนก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์ลองหายใจเข้าเยอะๆสิดูสิทุกข์รือสุกหายใจเข้าไปอย่ายหยุดนะหายใจไป ทุกไหมพื้นหายใจต่อไปปอดทะลุเลยใช่ไหมทุกมากแน่เขาวเนี้ยหายใจออกสิเมื่อกี้หายใจเข้าแล้วทุกตอนนี้หายใจออกสิทุกไหมทุกไหมทุกทุกมากมากเลยนั่นจริงๆแล้วเนี้ยร่างกายนะถ้าเรามีสติตามระลึกอยู่ในร่างกายเราจะรู้เลยมันมีความทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแล้วมันมีความทุกข์อยู่ทุกทุกอิธิยาบทนั่งอยู่กับทุกนะ ขณะที่พวกเรานั่งอยู่เนี่ยรู้สึกหมนั่งกระยุกก็ยิกตลอดเวลารู้สึกหมนั่งกยุกกยิกเพราะอะไรเพราะมันเมื่อยมันทุกขนะ์ยืนก็ทุกข์นอนก็ทุกข์เวลานอนพลิกไหมกลางคืนนอนแล้วพลิกไหมนะบางคนนอนแล้วไม่พลิกเลยนะพวกเป็นอมาพาสนะนะต้องให้คนอื่นเขาพลิกให้นะอนอนไปเรื่อยๆจมอยู่ในกองทุกขนะ์นะจมเนี่ยต้องคอยพลิกต้องคอยเปลี่ยนอิทธิบาทนะ เันจริงๆแล้วถ้าเรามีสติระลึกอยู่ในร่างกายเรื่อยๆเราจะรู้เลยร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์แล้วมันเรื่องแค่วัตถุธาตุถ้าเรามีสติระลึกรู้ความรู้สึกทางใจบ่อยๆะเราจะรู้ว่ามันไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีชั่วก็ไม่เที่ยงแล้วเราจะรู้สึกว่ามันเป็นอนัตตาคือเราสั่งไม่ได้สั่งให้สุขห้ามทุกข์ก็ไม่ได้นะสั่งให้ดีห้ามชั่วก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้จริงตรงที่เราบังคับไม่ได้เรื่กว่าอนัตตา เราเห็นร่างกายเป็นทุกข์ร่างกายเป็นวัตถุไม่ใช่เราเห็นจิตเป็นของไม่เที่ยงเห็นจิตเป็นของบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราเห็นซ้ําแล้วซ้ํำอีกอะไรจะเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติคือความเกิดสิ้นแล้วชาตินี้เป็นการที่จิตเนี่ยเข้าไปหยิบฉวยออก ร่างกายจิตใจเข้ามาเป็นตัวเราของเรานะหยิบฉวยเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้ามาชาติสิ้นแล้วพรหมจารย์คือการประพฤติปฏิบัติธรรมนะจบแล้วไม่ต้องทํานละ้วหมดจิตหลุดพ้นละเพราะฉะนั้นการที่จิตจะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นะมันเริ่มต้นมาจากการได้เห็นตามความเป็นจริงเห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นไม่ใช่ดัดแปลงกายดัดแปลงใจนะถ้าดัดแปลงกายดัดแปลงใจไม่ใช่เห็นตามความเป็นจริง งั้นที่หลงภาษสอนให้รู้สึกอยู่ในกายอย่างที่กายเป็นรู้สึกอยู่ที่ใจอย่างที่ใจเป็นก็ฝึกให้เห็นความจริงของรูปนามกายใจนั่นเองเมื่อเราเห็นรูปนามกายใจตามความเป็นจริงจิตจะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วหลุดพ้นของจิตเองนะจิตจะเป็นไปเองหน้าที่เราก็มีแค่นี้เองะระลึกรู้ไปะระลึกรู้กายะระลึกรู้ใจถึงเวลาแล้วจิตจะบรรลุมรรคผลของจิตเองไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลได้ จิตจะบรรลุของจิตเองเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะเราอย่าดูถูกว่าสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยดูไม่เห็นลึกลับเลยเรื่องลึกลับสลวงพ่อก็สอนได้นะนั่งจะเห็นนู้นเห็นนี่เห็นผีเห็นสางอะไรเนียสอนง่ายอย่างนั้นนะ่ะแต่หาสาระไม่ได้ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ที่แท้จริงเลยนะบางคนนั่งแล้วเห็นหวยเห็นเบอร์อะไร น, นั่งแล้วกิเลสเยอะกว่าเก่าอีก นะเห็นแล้วอดบอกคนอื่นไม่ได้นะวันหลังก็กลัวเจ้ามือมาฆ่าอีกแล้วนะชีวิตสับสนมากเลยนะจะไม่บอกคนอื่นนะก็กลัวเขาไม่รู้ว่าเก่งนะไปบอกเขาก็กลัวถูกฆ่าอนะไรอย่างเงี้ยบอกไปแล้วก็ถูกรอบหนึ่งรอบต่อไปก็กลัวอีกแล้วกลัวบอกเขาผิดอีกเนะีนะ่ยวิชาพวกนี้ไม่เอาเลยนะไม่ใช่เป็นวิชาเพื่อพ้นทุก์วิชาเพื่อพ้นทุกคือวิชาที่หลวงพ่อสอนนี่แหละคือศีลห้าไว้นะ ให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวของเราดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานไม่บังคับกายบังคับใจแต่ก็ไม่ลืมกายลืมใจถ้าทําได้อย่างนี้ในเวลาไม่นานนะบางคนเจวันบางคนเจเดือนบางคนเจปีก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้นะพระเจ้าท่านบอกว่าถ้าทําสติปัฏฐานนะเจวันบางคนเจวันอย่างเ้บราารลุพระอรหันต์หรือได้พระอนาคาท่านถึงขนาดนั้นนะของเรามากน้อยหน่อยนะ เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีขอได้โสดาก็บุญนักหนาแล้วยุคของเรานี้บารมีมันน้อยหน่อยถ้าบารมีเยอะคงไม่ต้องมาฟังหลวงพ่อประโมทเทศหรอกคงฟังพระพุทธเจ้าเทศไปแล้ ว, ลวหรือยุคนั้นฟังพระพุทธเจ้าเทศเหมือนกันนะแต่เพ่อนนับถือเทวทัตนะมันไม่แน่น่ใช่ไหมอพอสมควรแก่เวลาเรไปส่งกันบ้านว่ามากลับนะมาศการหลวงพ่อค่ะ หัวใจจะวายแล้วเนี่ยก็ยมภาวนามาพอดีช่วงนี้ว่าจะติดตัวความอยากพ้นทุกข์แล้วก็จะเห็นตัวความกังวลความกลัวทีนี้พอปฏิบัติไปก็เลยรู้สึกว่าพอเราตามรู้ตัวนี้ความกังวลกับความกลัวก็คือลดน้อยลงอยู่แต่ว่า มันยังมีอยู่อะค่ะแล้วตัวอยากพ้นทุกข์ก็เขาก็จะมาของเขาอยู่เรื่อยๆเหมือนกัน<ร>แล้ว<ด>ก็จะฝึกเพื่อไม่ให้มีน ะ, ะเราฝึกเพื่อว่าถ้ามันมีแล้วเราก็มีสติรู้เห็นไหมว่ามันมาได้เองสั่งไม่ได้แต่ใจอยากจะสั่งให้ได้รู้สึกไหมงั้ยนในความเป็นจริงนะสภาวะธรรมเนะี่ยได้แสดงตัวอยู่ในกายในใจนี้ตลอดเวลาแล้วแต่ทําไมบางคนมีดวงตาเห็นธรรมบางคนไม่มีดวงตาเห็นธรรม ก็คือใจมันยอมรับไม่ได้ถ้าใจมันยอมรับความจริงที่แสดงอยู่ในใกาในใจได้เรียกว่ารู้ธรรมะใจมันยอมรู้แล้วแต่ตอนนี้ใจมันยังไม่รู้ธรรมะนะมันปฏิเสธดวออกไหมดวออกใจยังดื้ออยู่ใจยังปฏิเสธความจริงอยู่แล้วก็ภาวนาต่อจนวันหนึ่งใจยอมรับความจริงนะไม่ยากหรอกภาวนานมันได้ขนาดนี้แล้วละภาวนานได้ดีอยู่นะค่ะขอบคุณค่ะ กลับนมรดกการหลวงพ่อค่ะคือหนูเพิ่งเริ่มฟังค่ะเป็นคลิปเสียงมาได้ประมาณสองเดือนค่ะแล้วก็นูสังเกตไหมว่าร่างกายกระใจเนี่ยมันโค่นล่านกันดูออกไหมดูไม่ค่อยออกคือไม่แน่ใจว่าคิดไปเองด้วยหรือเปล่าไม่ได้คิดหรอกนะเคยเห็นใช่ไหมเคยเห็นนั่นแหละวิ่งออกมันแยกนะมันแยกแล้วล่ะในเวลาสองเดือนนี้แหละเห็นไหมว่าความรู้สึกกับจิตใจเป็นโค่นละอนกันดูออกไหม บางครั้งเออนั่นแหละถ้าเห็นทุกครั้งมันก็เวอร์ไปนะแสดงว่าโกหกแต่มันเห็นเป็นคราวๆถูกค่ะคือตอนตอนนี้เนี่ยคือพยายามที่จะคือคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่จริตเป็นคนคิดเยอะเยอะเยะอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพยายามจะดูใจพยายามอะไรนะพยายามจะดูจิตหรืออะไรแบบนี้สังเกตสิสังเกตใจแต่ว่าก็คือในในชีวิตประจําวันนะค่ะ แต่ว่าตัวด้วยตัวโลกประจาตัวหรืออะไรแบบนี้เป็นคนที่บางทีมันจะมีอารมณ์ซึมเศร้าขึ้นมาหรือว่าบางทีร่างกายเนี่ยมันจะมีมีเสียงที่ผิดปกติขึ้นมาโดยที่กลั้นไม่ได้ซึ่งมันทำให้หนูรู้สึกว่าหนูไม่สามารถที่จะทำปฏิบัติได้ดีหรือว่าจะเวลาทาสมาธิเข้าทำรูปแบบหรืออะไรเงี้ยมันทำไม่ได้เพราะว่ามันมีตรงนี้แทรกขึ้นมาตลอดเวลาแทรกเรารู้ว่าแทรกนะ ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเราบังคับไม่ได้ดูมันแบบนี้ไปเลยนะจิตใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราเราบังคับมันไม่ได้มันซึมเศร้าได้เองนะดูในแง่ที่ว่ามันไม่ใช่เราไปเรื่อยๆนะแทนที่เราจะต้องมาตกใจว่าตายแล้วภาวนาไม่ได้ถ้าไม่จะภาวนาไม่ได้ซึมเศร้ารู้ว่าซึมเศร้านี่นก็พอหนาแล้วนะแล้วก็เฝ้ารู้ไปด้วยพอใจเข้าสู่ความเป็นกลางนะ ถ้าเป็นโรคที่เกิดจากร่างกายก็อาศัยหมอรักษานะแต่ถ้าเป็นโรคทางจิตใจเนี่ยเราก็ารักษาใจของเราเดี๋ยวก็หายแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าหนูจะสังเกตว่าเวลาที่หนูเดินตามถนนหรืออะไรเงี้ยค่ะหนูพยายามที่จะดูด้วยว่าโอเคขาหนูก้าวไปหรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าบางทีหนูรู้สึกว่าบางหนูรู้สึกที่ขาก้าวไปพร้อมกับที่มือมันขยับหรืออะไรเงี้ยค่ะคือจะไปไม่เอา น, นะเวลาเดินถนนให้ดูรถยนต์ ค่ะดูดูด้วย <c oughs> อย่ตือมือมือเท้านะ <c oughs> หันซ้ายหันขวาไปดูไว้นะไม่ใช่ดูแต่มือแต่เท้าไปเดินอยู่ริมถนนได้ยังไงถ้าเกิดอย่างนี้คือถ้าเราพยายามที่จะดูกาย อ, อะไรอย่างเงียายา้ยแค่รู้สึก ด, ดูกายมต้องพยายามอะไรยิ้มสิรู้สึกไหมมันยิ้มรู้สึกไหมมันไปยั้งหน้าต้องพยายามไหม ไม่เห็นต้องพยายามเนี่ยเนต้องพยายามอะไรนะงั้นอย่างนี้ถ้าในเวลาเดียวกันเราสามารถรู้รับรู้ในหลายๆส่วนได้ไหมคะรับรู้ทั้งตัวเลยนะไม่ต้องไปรับรู้ทีละส่วนน ะ, <ฮ>ะถ้าคอยจ้องอยู่ที่ขาอย่างเดียวเราก็เป็นสมถะเลยเพ่งเพ่งขารู้สึกสบายๆไปทั้งตัวนี่แะละกร<ฮ>ะดุกกระดิ๊กอะไรรู้สึก <ฮะ S 2> ไม่ต้องรู้แต่มือนะบางทีบางคนก็รู้สึกแค่เนี้ย วันวันทำมืออย่างเนี้ไปไหนนะน่าเกลียดจะตายเลยถ้าอย่างนั้นก็คือหนูลองปฏิบัติต่อเออไปทำต่ออย่าไปฟุ้งซ่านมากมัน ง, ง่ายง่ายง่ายกว่าที่คิดไวนะ้เห็นไหมตัวนี้พยักหน้าแค่รู้สึกเนี่ยแค่นี้แหละเพราะฉนั้นไม่ใช่ต้องพย า, า, า ย, นะพยามรู้สึกร่างกายพยายามรู้สึกร่างกายไม่ใช่นะ อ, อ, อ่ะต่อไป ตามนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะเ อ, อหนูมีโอกาสได้ฟังธรรมมาของหลวงพ่อจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็เริ่มปฏิบัติตามแนวทางของหลวงพ่อมาได้สักปีกว่าแล้วค่ะหลวงพอ่อก็เลยอยากจะมาถามว่าที่ทําอยู่เนี่ยหนูมาถูกทางไหมคะทําไมต้องถามด้วยละ่ะไม่รู้หรือไม่แน่ใจคะ่ะรู้ไหมว่าไม่แน่ใจรู้คะ่ะเออนั่นแหละปฏิบัติล่ะเห็นไหมว่าขันมันแยกได้ มันแยกแล้วนะพอเห็นค่ะไม่ค่อยมั่นใจหรือว่าเป็นโรคไม่มั่นใจใช่ค่ะแล้วก็หนูอยากจะมาขอการบ้านหลวงพ่อด้วยค่ะก็เป็นรู้สึกเนวเนี่ยรู้สึกในร่างกายรู้สึกในจิตใจไม่บังคับน ะ, ะไม่บังคับไปไม่บังคับใจแค่รู้สึกรู้สึกสบา ย, บายค่ะมันเป็นยังไงก็รู้สึกไปนะต่อไปขอบคุณค่ะคนนี้เข้มแข็งอ่ะเอาให้คนนี้ก่อนทางนี้กลัว ส่งมาส่งมาเขาจะได้พ้นทุกข์ไปสงสารเ่าเดี๋ยวก็จะหัวใจวายคนสุดท้ายนี่เราได้บุญแล้วล่ะกลับนมัสการค่ะก็ตอนเดิคนนี่กลัวกว่าคนนี้อีกนะให้คนิีก่อนอะกับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกอยากจะถามว่าลูกคนที่จะปฏิบัติเราเป็นคนช่นงคิดนะเจ้าค่ะรู้สึกไหมใช่ไหคะ เมืพื้นเดิมของเราช่างคิดนะค่อยรู้ความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆโดยเฉพาะความรู้สึกสงสัยมันเกิดบ่อยให้รู้ทันสงสัยรู้ว่าสงสัยหเห็นมันเกิดได้ดับได้ไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องหาคําตอบเนะี่ย อ, อยากพูดแล้วเห็นไหม <laughs> เห็นไหมมันดันขึ้นตรงกลางอกเนี่ยความอยากพูดนั้มันดันขึ้นมาตัวตันหานี่เวลาเกิดเกิดตรงเนี้ยดันขึ้นมาแล้วเห็นเนี่ยใอญ่ละ มันกระชอกขึ้นมาเราก็รู้ทันมันเกิดเรากระดับเกิดแล้วก็ดับดูไปรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปสบายๆคือแนวปฏิบัติในการเดินจงกรมกับนั่งสมาธิเจ้าค่ะลืมคาว่าเดินจงกรมได้ไหมเอาว่าเดินด้วยความมีสติเดินจงกรมนั่นก็จะตั้งวางฝอกเดินสบายๆนี่แหละเดินรู้สึกตัวไปแล้วก็คีโมด้วย <Okay. S 2> แค่ขี้มโหเนี่ยเราเดินด้วยกระบวนท่าที่มากมายนะใจจะไม่สบายนะ <Okay. S 2> เดินสบายๆเห็นไหมว่าใจอยาก <laughs> ตัวที่ดูง่ายที่สุดนะคือตัวอยากนะเราพ่อจะให้กันบ้านแะ <Okay. S 2> เพราะว่าความอยากของเราเวลาผุดเนี่ยผุดได้แรงมันผุดขึ้นอย่างแรงเลยปุ๊บมืวอย่างเงี้ยนะ uh huh. ไปหัดดูเวลาใจอยากจะเห็นว่าความอยากเกิดเองแล้วก็ดับได้เอง ไปดูตัวนี้บ่อยๆไม่ต้องทำกรรมฐานอะไรมากมายหรอกเอาวันเดียวพอลอะ้วพัรับอ้าการมกรรค่ ะ, อะตอนเดินจงกรมอะค่ะไม่แน่ใจว่าไปประคองหรือเปล่าอะค่ะประคองประคองขอคำชี้แนะค่ะเลืมเดินจงกรมไปแล้ว เ, เดินรู้สึกตัวเอาเราไปติดกับถ้อยคำมากไปนะอย่างคาว่าจะนั่งสมาธิแล้ว สมาธิจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนมันได้ทั้งหมดนะมันไม่ใช่ต้องทำสมาธิตอนนั่งเรานั่งรู้สึกตัวเดินรู้สึกตัวนอนรู้สึกตัวเราปฏิบัติตลอดสายเลยแต่ถึงเวลาเราก็มาปฏิบัติเราแบ่งเวลาไว้วันหนึ่งครึ่งชั่วโมงถึงวันถึงเวลาเราก็มาเดินแต่ไม่ต้องมาเดินแบบฉันจะเป็นนักเดินจงกรมนะเดินรู้สึกตัวรู้สึกไปได้ฝึกนะให้มันเป็นธรรมชาติ ยิ่งฝึกยิ่งใกลธรรมชาติเราก็ยิ่งไกลธรรมะไปเรื่อยๆฝนะึกให้ง่ายๆนะใช้ชีวิตที่เรียบง่ายชีวิตที่สบายน้ำภาวนาสบายเอา้าให้พูดต่อยังคับค้องอยู่สงสัยอะค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยมันอทำแบบธรรมชาติมากอะค่ะมันคือแบบว่าพอบอกว่ามันจะรู้ก็คือรู้ขึ้นเองว่าคือปล่อยธรรธรรมชาติไม่ได้ปล่อยขนาดนั้นนะ ถ้าปลยเลยนอนจะรู้ทีหนึ่งเราก็เดินโจงกรมนั่นแหละะแต่แทนที่จะคิดว่าแม้ฉันเป็นนักปฏิบัติต้องเดินอย่างงอนเดินอย่างนี้เดินไปเครียดไปะเดินบังคับตัวเองไปเรื่อยๆปรับใจซะใหม่ว่าเราจะเดินเล่นแต่ถึงเวลาเดินนะแต่ไม่ใช่เดินเรื่อยเปื่อยนะเดินรู้สึกกายอย่างสบายๆเดินรู้สึกใจอย่างสบายๆเดินรู้กายเดินรู้ใจไปสบายๆเหอย่างนั้นแหลเรียกว่าปฏิบัติที่ เราเดินแบบเคร่งเครียดนะี่ะเสียเวลาขณะที่ใจเครียดเนี่ยจิตเป็นอกุศลนะสติไม่เกิดเลยดูเหมือนดีแต่ไม่ดีเล ย, ยงั้นเดินไปสบายๆแต่ไม่ใช่เดินเรื่อยเปื่อยเดินเรื่อยเปื่อยเนี่ยไม่รู้สึกกายไม่รู้สึกใจแค่รู้สึกแค่รู้สึกนะไม่จ้องไม่เพ่งไม่บังคับเนี่ยรู้สึกไหมขอนูติดเพ่งนะติดบังคับดูออกเปล่า ไม่แน่ใจเหมือนกันเออแน่ใจเหอะ <laughs> อะกลับไปให้ผู้เสียสละเขาคนนี้เขาเข้มแข็งหอ้ถูกวิปัสสนากิเลสเล่นงานหรือเปล่าคฮะวิปัสสนากิเลสเจ้าค่ะทำไมคิดว่าเป็นวิปัสสนาล่นะหนูไม่แน่ใจเจ้าค่ ะ, ะหนูไม่แน่ใจเจ้าค่ะวิปัสสนาเนี่ยเกิดจากจิตไม่เข้าฐาน จิตหนเข้าฐานไม่เป็นวิปัสสนูหรอกหนูมันส่งออกนอกอยู่เจ้าค่ะมันยังไม่ค่อยเข้านื้อแลเรารู้ว่าอยู่ออกนอกนะเดี๋ยวมันก็เข้ามาไม่ใช่วิปัสสนูนะจิตหลอกเหรอเจ้าค่ะจิตมันหลอกเอาเพราะหนูเจอมาแบบห้าหกปีแล้วถูกสะบัดออกจากกันนั่งสมาธิแล้วก็เวลาเดินจงกรมเจ้าค่ะก็แบบนุลือไม่เป็นคนธรรมดาหนูกลัวเจ้าค่ะธรรมดาที่สุดดีที่สุดอยากเป็นมนุษย์เจ้าค่ะแต่หนูเจออะไรก็ไม่รู้นะ อย่าไปสนใจอะไรที่ผิดธรรมดาค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้หนูไม่มีสติทุกค่ะหนูไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราอย่าไปคิดมากยิ่งเราคิดนาะน้อมใจเชื่อแล้ยิ่งเป็นเราก็รู้สึกไปตามธรรมชาติรู้สึกไปตามธรรมดายังสนอยู่ทุกค่ะก็คือหนูไม่ได้บังคับร่างกายมันบังคับเองไม่ได้ค่ะไม่ใจมันน้อมใจไปอมันน้อมใจเชื่อ น้อมใจเชื่อใช่ไหมครัอถ้าใจเข้มแข็งขึ้นมาก็หายแล้วไม่ได้ว่ามีผีสางนางไม้อะไรมาบังคับเราหรอกใจเราน้อมใจไปเองอืยิ้มหวานซิยิ้มไม่ออกค่ะอีว่าไงะบอกให้ยิ้มยิ้มไม่ออกกลัวล้อเลยหนูกลัวคนอื่นเขาจะเป็นแบบหนูอะค่ะหนูไม่เป็นหรอก่ะอย่างนี้จิตมันหลอก อ๋อจิตหลอกนะคะเออจิตมันหลอกหลวงพ่อไม่เห็นว่าเทพเทวดาที่ไหนจะมายุ่งกับเราเลยหนูก็งงเค่ะรูไม่น่าเชื่อหรอกค่ะเราเห็นเม็ดเห็นเม็ดใจมันฟุงรร้งซ่านค่ะเออแค่เนี้ยคอยรู้ทันเวลาใจมันฟุ้งไปแบบแตะเกีย อ, อหนูขออนุ ญ, ญาตนะคะห้านาทีคือเนี่ยปากสัน่นมือสัน่นโดยที่เมื่อกี้ก็ไม่สัน่น ตอนนี้คิดจะสั่นทั้งเจ้าสั่นได้เหมือนกันจิตหลอกเนี่ยหนวงพ่อสั่นแะจิตหลอกใช่ไหมคะใช่มันหลอกตัวเองอ๋อหลอกตัวเองใช่มันหลอกตัวเองค่ะหนูจะเชื่อว่าหนูจะหลอกตัวเองหนูเชื่อมากว่าหนูหลอกตัวเองทั้งทั้ที่คําพูดเนี่ยมันไม่ใช่หนูพูดไม่ใช่หรอกมันจิตใต้สํานึกของเรามันหลุดออกมาอือมันเป็นจิตใต้สํำนึกใช่ไหมคะใช่มันไปเชื่อมัน ตอนเนี้หนูก็คือหนูห น, หนท่องในใจคือเมตตาทุนังอรหังเมตตาตอนที่หลวงพ่อบอกให้หนูทําใจอะค่ะขนาดนี้รู้สึกไหมใจเดี๋ยวนี้กับต่กี้ไม่เหมือนกันเออหนูไม่สังเกตค่ะก็สังเกตซะทําไม่ทันสังเกตก็คือเนี่ยใจไหลไปละวค่ะที่หลวงพ่อเจ้าค่ะเมื่อกี้ไหลไปคิดอ๋อมันมันมืดๆไปแวบมันไหลวืดไปอย่างเงี้ยให้รู้ขใครรู้สึกเอาตอนเนี้งานแรกที่จะทำนะ ให้ใจอยู่ที่ตัวเองสบายๆขยับเล่นๆนวดตัวเองไปเนี่ยเตือนตัวเองฉันยังอยู่ฉันยังอยู่ท่องไว้ค่ะฉันยังอยู่ฉันยังอยู่เออไม่มีใครมายุ่งกับเราหรอกฉันยังอยู่ฉันยังอยู่ฉัอพอแล้วพอละเอออย่าอยู่มากนะคนกลับนมัสการหลวงพ่อครับว่าไง มาข อ, อการบ้านหลวงพ่อเขาฟังเจอหลวงพ่อมาปีปีที่สี่เขาแล้วก็ฟังธรรมะบ้างบางโอกาสครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ภาวนาครับสังเกตไหมว่าใจเราไม่เหมือนเดิมสังเกตครับภาวนาถูกแล้วล่ะภาวนาดีสาธุครับมาข อ, อการบ้านหลวงพ่อเพิ่มด้วยครับก็ไปดูกายดูใจเลยจะไปทําอะไรครับผมสังเกตไหมมันสบายใจ สังเกตครับสบายใจขึ้นครับสบายใจแล้วใจไหลเพลินไปในความสบายดูออกไหมรู้ครับเอ้อย่ายอมไปงั้นให้รู้ทันอย่าให้ไหลมันชอบเพราะมันติดมากเลยนั่นแหละที่ติดเยอะตัวนี้สาธุครับมีความสุขได้นะแต่ไม่เผลอเพลินไปครับถ้าเผลอเพลินไปก็คือใจถูกกิเลสครอบนะครับนะถูกราคาครอบให้ดูความสุขไปใช่ไหมครับให้รู้ทันว่าใจไม่ชอบ ใจไปเพลินในความสุขครับมีความสุขไม่เป็นไรมีความทุกข์ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าใจไปยินดีในความสุขให้รู้ทันใจไม่ชอบความทุกข์ให้รู้ทันครับผมสาธุครั บ, รบอา้าวหนูคนนะั้น่ะหยุดก่อนหยุดปฏิบัติก่อนหยุดเป็นช่วงๆเลรกตัวเองเป็นช่วงๆช่วงๆนะไม่ต้องทำอะไรจริงจังนะร้องเพลงเป็นห อะไรน ะ, ะเอาไม่ต้องเอาไมค์ไปนะวงพ่อได้ยินเขาบอกชอบฟังหัดร้องบ้างก็ได้แต่ไม่ต้องให้คนอื่นได้ยินสงสารเขาคือทำอะไรก็ได้นะให้มันผ่อนคลายหน่อยจริงจังไปชีวิตไม่ได้ยุ่งยากขนาด น, น, นัน้นหรอกฮะกลาบน้ำมัสการครับหลวงพ่อครับคือผมก็ปฏิบัติตามแนวทางหลวงพ่อมาประมาณสักสามถึงห้าปีครับแล้วก็ อผมอยากจะขอโอกาสสักสองสองคำถามสั้นๆครับคำถามแรกคือระหว่างการที่จิตจิตมันมันมันไปวางอารมณ์กับกับตัวเราเขาไปวางอารมณ์มันกต่างกับอะไรวางอารมณ์นะกับตัวเราครับตัวรู้คือคือมีช่วงหนึ่งผมปฏิบัติแล้วแล้วจิตมันไปรู้อารมณ์ครับไปไปรับรู้อารมณ์สภาวะต่างๆเราเรามันก็วางวางวางไปเอง แต่มีช่วงหนึ่งผมรู้สึกว่ามันเหมือนเหมือนเหมือนตัวเราก็เห็ น, แ, นแล้วที่นี้เราก็เข้าไปเข้าไปวางอารมณ์มันก็ต้องให้มันวางเองนะครับถ้าวางเองแล้วใจมันจะโปร่งโล่งเบาแต่ถ้าเราจงใจวางมันเครียดไม่ไดีครับแล้วก็คํำถามที่สองคื อ, เ, อเราจะทํายังไงที่จะจะจะละตัวรู้ได้ครับจะวางตัวรู้ได้ต้องมีตัวรู้ก่อนอย่าเพิ่งละ จะละตัวรู้นั้นต้องเป็นพระอนาคาเต็มภูมิแล้วครับตอนนี้ยังไม่เป็นนะถ้าละตัวรู้ตอนนี้สติแตกเลยครับตัวรู้เหมือนเรือถึงฝั่งเราค่อยทิ้งเรือะครับเพราะฉะนั้นนาทีที่ทิ้งตัวรู้นั่ก็คือเป็นพระอรหรันต์แล้วงั้นขนาดที่เรายัางร่อนเร่อ ย, อยู่ในวัฏฏะเนี่ยตัวรู้นี่เหมือนเรือนะต้องอาศัยครับ นันต้องรักษาตัวรู้ไปเรื่อยๆแต่ไม่ประคองให้นิ่งมีเรือนึกถึงเรือนะเรือนั้นอยู่ในทะเลใช่ไหมมันโดนคลื่นเรือก็ยังแกว่งไปแกว่งมาก็เพิ่มขึ้นกะเพิ่มลงได้นะ mm hmm. เรือไม่ได้อยู่นิ่งเพราะเราไม่ต้องไปประคองตัวรู้ให้นิ่งนะ mm hmm. ตัวรู้มันถูกอารมณ์กระทบแนละ้วมันจะกะเพิ่มจะอะไรก็แค่รู้สึกนะไม่ห้ามะไม่รักษาถึงขนาดว่าห้ามกะเพิ่ม แต่ว่าอย่าไปทิ้งตัวรู้ไม่ได้นะทิ้งตัวรู้เหมือนทิ้งเรือตั้งแต่เราอยู่กลางทะเลของหลวใจลอยนะเออนั่นแหละเผลอรู้สึกสบายๆเผลอบ้างก็ได้แต่รู้สึกไปอย่าไปเชื่อเท่านะั้นะว่าถูกอะไรครอบถ้าเราไม่เชื่อสย่างนะ้นไม่มีอะไรครอบเราได้หรอกมันอย่างพวกสะกดจิตเนะี่ย สะกดจิตเนี่ยนะนะสะกดให้เราทำอย่างโน้นสะกดให้เราทำอย่างนี้นะบางทีจิตเราก็เชื่อเราก็ทำแต่สะกดบางอย่างไม่ได้อย่างจะมาสะกดจิตบอกให้เราไปฆ่าตัวตายเนะี่ยจิตใจเราต้านเพราะจิตใจเราจะรักตัวเองถ้าใครมาสะกดเราให้ฆ่าตัวตายนะไม่ค่อยมีใครทำสาเร็จหรอกนะเพราะใจเราไม่ยอมแต่ถ้าใจเรายอมถึงจะสะกดได้นะงั้นไม่เดยไปยอม ม, ย ม, มันไม่เชื่อมัน เออไม่เชื่ อ, อไว้ก่อนเออนั่นฟุ้งซ่านแล้วมากไปออกจาบ้นานค่ะสังเกตดูตัวเองค่ะยังแข็งอยู่ตลอดอ่ะมันมีความแข็งแนบไปในทุกทุกเวลาไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นแล้วละ่ะมันเบากว่าแต่ก่อนแล้วรู้สึกไหมมันไม่ได้แข็งป๊อกอย่างแต่ก่อนแล้วรู้สึกค่ะเออมันค่อ ย, ค, อยค่อยคลายนะเราฝึกของเรามาแบบนั้นต้องใช้เวลา แล้วก็ตอนนี้เห็นเห็นความเศร้าโศกเหมือนห่างออกไปนนหน่อย น, น, นึงค่ะนั่นแหละเราภาวนาเริ่มดีขึ้นแล้วนะเราก็จะเริ่มเห็นอารมณ์กับจิตมันคละอันกันอยู่ห่างห่างกันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปแต่มีอารมณ์นึงค่ะรู้สึกว่ามันแนบตัวตัวไหนอ่ะโทสะนะคะไม่เป็นไรโทสะมันมาแนบเราก็รู้ว่าแนบนะตัวไหนแยกออกไปก็รู้ว่าแยกรู้อย่างที่เขาเป็นไม่ได้บังคับนะ คื อ, ค อ, คอรู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองส่วนใหญ่จะเป็นอสุรกายค่ะหลวงพ่อไม่เป็นไรอสุรกายก็ช่างมันรู้ว่าอย่างที่มันเป็น อ, ะอ่ะขอถามเรื่อง <c oughs> เดินจงกรมค่ะเดินจงกรมนี้จะสังเกตว่าจะแข็งแล้วก็เผลอแล้วก็ฟุง้งฟุ้งมากเลยค่ะถ้างั้นอย่าไปเดินมันสิถ้าเดินแล้วแข็งด้วยเผลอด้วยฟุ้งด้วยงานจะรู้แบบ ถ้าเดินสักสิบห้านาทีก็จะรู้สึกมีสติอยู่ไม่กี่ครั้งค่ะแต่ว่าจะมีความสุขแล้วถนัดเดินแล้วถนัดนั่งเหรอท่นานเดินขาหนั่งละง่ว ง, วงนั่งละง่ว ง, วงเดินแล้วหลุดฟุง้งมันก็ยังดีกว่านั่งค่ะเหรอันไหนดีกว่าก็เอากนะันแน่คื อ, อก่อนเป็นอรู้ตัวอย่างที่เป็นอยู่ใช่ไหมคะว่าได้เท่านี้ ฝึกสติให้มันวัยขึ้นเข้มแข็งขึ้นนะรู้สภาวะบ่อยๆรู้สึกรู้สึ ก, ร, สกรู้สึกบ่อยๆก็รู้สึกบ่อยๆแล้วสติมันจะค่อยเข้มแข็งขึ้นขอบพักคุณค่ะแล้วทุกๆอิริยาบถนะี่ยต้องฝึกเราไม่รู้นะว่าเวลาเราจะตายเนะี่ยอยู่ในอิริยาบถอะไรอาจจะเดินอยู่แล้วโดนลูกระเบิดตัดคอไปก็ได้นั่งอยู่นอนอยู่นั่นในทุกๆอิริยาบถเนะ่ฝึกไปเรื่อยๆรู้ตัวไปจนเป็นธรรมชาติ ทกทกอียบจะนําไปปฏิบัติเจ้าค่ะกับรัศกาลหลวงพ่อเจ้าค่ะคือสกุกันบ้างทางแรกแป๊บนึ่งสังเกตไหมว่าไปรวบจิตเข้ามาแนละ้ตรงนั้นแหละที่เผลอแล้วก็ชินแล้วก็บอกว่าแข็งตลอดวันเลยแข็งเพราะว่าไปทําขึ้นมานะไปรวบมันขึ้นมาถ้าเราเห็นตอนที่จิตไปรวบเข้ามานะ ต่อไปมันก็จะไม่รวบมันก็จะไม่แข็งอย่างเมื่อกี้พอเลิกคุยกัหลวงพ่อนะที่จะเริ่มปฏิบัติพอจะเริ่มปฏิบัติหลวงพ่อก็ทําเป็นเ <c oughs> <c oughs> นี่ยถ้าเรารู้ทันตอนที่ไปรวบเข้มามันนะมันจะหายนะน ะ, ม, นะนะมันจะหลอกเราไม่ได้แนละ้วงี้ก็แข็งไปเลยโอ๊ยทำไงจะเลิกทำไงจะแก้ได้นะนะเพล่อเผล่อไปก่อน เพิ่อเพิอไปก่อนแล้วรู้สึกเอาใหม่เรารู้สึกเอาใหม่นะให้ได้เห็นจิตไปรวบตัวเองเข้ามาถ้ารู้ตรงนี้นะต่อไปมันก็ไม่รวบส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะคือปฏิบัติในรูปแบบมาได้ประมาณห้าเดือ น, นะคะ่ะแล้วก็จะฟังคลิปเสียงหลวงพ่อทุกๆวันนะคะอืมแล้วก็อยากจะส่งกันบ้านหลวงพ่อให้หลวงพ่อดูให้นะคะว่าต้องดูเองสิไม่ไให้หลวงพ่อดูให้ สังเกตรหรือเปล่าว่าเดี่ยวนี้กัแต่ก่อนต่างกันไหมสังเกตค่ะนะค่ะสักใจมันไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะหัดดูอย่างนั้นแหละรู้อย่างที่มันเป็นค่ะที่ปฏิบัติอยู่คือถูกทางใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้ก็มีนั่งสมาธิทุกวั น, นะคะ่ะแล้วก็เพิ่งจะหัดเดินจงกรมได้สักระยะนึ่งว ค, ค่ะค่ะนั่งไหนนั่งให้ดูซิ อย่าไปรวบจิตเข้ามา ก, ก่อนอย่าไปข่มจิตเห็นไหมว่าโมหะแทรกซึมไปเลยนะอย่าให้ซึมเวลานั่งสมาธิจะนั่งรู้ตัวไปเนี่ยมันจะไม่หมัวนะไม่ไม่ถูกโมหะครอบค่ะใครใครรู้สึกรู้สึกรู้สคือเราพยายามน้อมน้อมใจใช่ไหมคะไม่น้อมรู้สึกไปสบายสบายให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ย ไม่ให้ขาดสตินะแต่ว่าใจเราไม่ได้วอกแวกไปเที่ยวที่อื่นเนี่ยมันค่อยสงบเองแต่ถ้าเราเจตนาจะให้สงบเนี่ยเราจะเกิดการน้อมใจให้สงบแล้วโมหะจะแทรกจะซึมเพราะงั้นอย่าน้อมนี่น้อมเนี่ยอย่างนี้ไม่เอาเลยนะคำวิริยธรามค่ะไม่ดีเห็นไหม คือรู้สึกว่าจิตตัวเองจะไม่ชอบการสวดมนต์นะค่ะหลวงพ่อคือเวลาเราอยากจะสวดมนต์ขึ้นมาแต่พอมาดูบทสวดมนต์ใจเราเหมือนแบบเอ๊ะทาไ ม, ทไมบทสวดยาวจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อต้องสวดไม่ชอบยาวก็สวดสั้นๆพุโทโธพุโทโธพุโทพโธไปอ๋อแต่ถ้าบริกรรมคือจะบริกรรมค่ะแค่นั้นก็ใช้ได้แล้วบริกรรมพุโทโธพุโทโธแล้วรู้ทันใจ่ะ พุทโธพุทโธใจเป็นสุขก็รู้พุทโธใจเป็นทุกข์ก็รู้พุทโธใจสงบก็รู้พุทโธใจฟุ้งซ่านก็รู้หนูนั้นก็พุทโธไปด้วยก็ได้นะอยู่กับพระพุทธเจ้าไปคิดถึงพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธอย่าไปเชื่อผีสางนางไม้นะพุทโธพุทโธไปกันบ้าหลวงพ่อค่ะไปฝึกนั่นแหละมบริกรรมไปคนสุดท้ายไม่ได้ส่งกันบ้านกับหลวงพ่อสองปีกว่าครับอืม ช่วงนี้ผมไปฝึกดูเวทนาอยู่ประมาณปีเสร็จเวทนาก็ต้องส่งชานนะต้องทำสมาธิถ้าไม่ทำสมาธิไม่ได้ทำอนาปานสติไม่ทำเลยไม่มีแรงรก็ได้ภาวนาไปเรื่อยๆแต่อยากให้หลวพ่อช่วยดูดูเ อ, อกไมมว่าขันไม่แยกได้ ครับแล้วก็เห็นว่าขันแต่ละขันนี่มันทำงานกั น, เ ป, นเป็นอิสระของมันนั่นแหละนั่นแหละดูอย่างนั้นนหะจะใช้กรรมฐานอะไรก็ไม่สำคัญหรอกถ้าทำถูกแล้วก็มาเห็นอันเดียวกันนี่แหละครับนะไปดูอีกครับยังมีหลวงอีกคนนรมาสการหลวงพ่อครับโยมมาขนแก่นสามวันแล้วรู้สึกโชคดีจังสบายจังแต่ตอนนี้ที่นั่งอยู่พอหลวงพ่อบอกว่ า, วา ท่านเมื่อสักครู่นี้เป็นคนสุดท้ายผมทุกข์จังเลยครับจะทำยังไงให้ใหม่มาถึงผมเนี่ยครับก็เปไปนั่งอยู่นอกกลุ่มจากคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ลดการเกรงการล่วงลงไปครับตอนนี้ลดเวลาการนั่งแบบปกติลงไปแบบรูปแบบลดนะลงไปดูัวที่ใจหรือ่ใจมีความเปลี่ยนแปลงไหม เปลี่ยนครับนะมันโปร่งโล่งสบายขึ้นนะใช่ครับแล้วก็มันจะเห็นขันทํางานได้ตรงความจริงเยอะขึ้นบังคับทื่อๆไปงั้นกี่ปีมาอยู่แค่นั้นอ่ะครับแต่ที่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่อยากนํามาถามคือว่าเวลามันเห็นแล้วมันจะเห็นถึงถึงความที่มันมันรู้ตัวแล้วมันมีความเยะเยือกอยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งผิดกับตอนที่หลวงพ่อชวนพวกเรา อ่าเฮฮามันจะเกิดความรู้ตัวแล้วเกิดลักษณะแบบธรรมะบันเทิงอย่างนั้นตรงนี้เลยเกิดอาการออยากอยากเห็นมันเป็น<ๆ>ยังไงเยอะๆอ่ะ <c oughs> คือคือรู้ตัวแล้วมันมันสงบแบบลึกๆลงก็ลึกๆก็ลึกสิเราเคยเล่นสมาธิไง้าใจรู้ตัวสงบลึกลงไปเท่าไหร่ก็ได้ไม่เป็นไรคือเห็นว่ามันมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ เพิ่มขึ้นมาได้ชัดเจนเลยและแล้วเปรียบเทียบกับว่าเวลาขณะที่ฟังหลวงพ่อหรือขณะที่พูดขนาเนี้ยมันรู้ตัวแต่ว่ามันจะแจ่มใสอย่างนี้ขณ น, นี้ไม่ถูกนะขณะนี้ยแทรกแซงจิตนะบังคับจิตอยู่นะสังเกตไหมจิตมีน้ําหนักมีครับเออนะเพราะฉะนั้นขณะนี้ยไม่ใช่สภาวะรู้ที่ถูกอ่ะแต่ตอนที่หัวเราะตอนนั้นใช่ครับขณะเนี้ยบังคับจิตอยู่หน่อยหนึ่งใช่ครับ จิตเนี่ยมันจะไปตามความเคยชินนะอย่างฐานเดิมนะ่ะทําสมาธิม่เยอะนะเพราะงั้นจิตจะรวมจิตจะอะไรก็แค่รู้ไปเราไม่ไปยินดีกับมันเท่านั้นจิตจะทรงสมาธิขนาดไหนถ้าเราไม่ได้ไปหลงยินดีนะ่ะก็ไม่ติดหรือลงไปทรงตัวอยู่แล้วเรารู้ทันว่าทรงตัวอยู่แค่นี้ก็ไม่ไม่เป็นไรละใช้ได้ครนะแล้วก็ยิ่งรู้ทันว่าโอ้ไปชอบถ้ารู้ว่าชอบดนะ้วย ใจก็ถอนออกไม่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายอย่างนั้นดีที่สุดขอการบ้านกับหลวงพ่อจิตจะรวมก็ห้ามไม่ได้ไม่ห้ามก็ให้รวมไปจิตรวมก็รู้ว่ารวมรวมแล้วมีความสุขก็รู้ว่ามีความสุขถ้ามีความสุขแล้วชอบรู้ว่าชอบสุดท้ายก็คือเข้ามาสู่ความเป็นกลาง ถ้าดูจนกระทั่งเข้าถึงความยินดีินร้ายรู้ทันยินดียิ น, ยนร้ายจิตเข้าสู่ความเป็นกลางได้แล้วเนี่ยสภาวะทั้งหลายทเท่าเทียมกันทั้งหมดแล้วนี่ที่ผิดที่พยายามกลับไปสู่ที่ผิดอีกมียังมีตรงไหนบ้างไหมครับหลวงพ่ออย่าไปกังวลสิจิตมันเคยชินยังไงเผลอๆไม่ได้ไปอย่างนั้นต้องใช้เวลาใช่ครับเป <laughs> ็นนียกลับไปอย่างเดิมแล้วนะแต่กลับไปน้อย บ, บังคับไม่ ไ, มได้หรอกธรรมสการขอบคุณครับหลวงพอ่อหมดแล้วล่ะครับผมกระผมขอเป็นตัวแทนยติธรรมทุกท่านนะครับกล่าวคําถวายทัยทานที่มีผู้นํามาถวายวันนี้ขอให้ทุกท่านตั้งใจระลึกและอธิษฐานเจตไปพร้อมกันนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยธัยธรรม และสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชขอพระอาจารย์ปราโมทได้โปรดรับเครื่องปัจจัยไยรธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติและมิตรมีบิดามารดาเป็นต้นและแก่ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรตราบสิ้นกาลนานเทิน เยาถาวาริวหาปุราปริปูเรนตีสาครังเอวเมวะอีตโตทินังเปตานังอุปกปพติอิชิตังปติตังตุมหังขิ ป, ปเมวะสมิชศตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชธิรโสยถาสัพพิติโยวิวัตฉันตุสัพเะโรคโควินัสตุ มาเตพวัตวันตรายโยสุขีตีคายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจ ต, ตารโรธรรมาวทันติอายุวนโนสุขังพลังเดี๋ยวใครอยากเรียนสมาธิก็ไปเรียนกับมอนัทนะเสมาธิ